ตอนที่41เอ็ดจะเล่นลูกไม้พี่เรนอะไรอีกลินเซินแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วสิ้นอองบกมือใหญ่สรุปคือเปินหวางไม่อนุญาตเด็กขาดห้ามจะไปช่วยจนกัวกงบันเ้าทุกผู้ประสบภัยเขาครั้นจะฟังต่อจึงสะบัดแขนเสื้อเดินจากไปทิ้งให้คนอื่นไม่กล้าเอ่ยคำใดออกมาแม้แต่ครึ่งคำลินเซินขมวดคิ้วแ น, น่ยามนี้เขายิ่งรู้สึกว่าคำพูดของเยเยนั้นถูกต้องที่สุด สเสด็จพ่อของเขาผู้นี้ช่างมุทลุวู่วามและเอาแต่ใจตนเองจริงๆหวังเฟยเองก็กุมขมับด้วยความตัดกรุ่มจนปวดศรีรษะไม่มีใครสังเกตเห็นว่าดวงตาของเซียชิงจือมีน้ําตาคลอเบ้านางจ้องมองหลิงเซินด้วยความโกรธแค้นถึงห้าส่วนเป็นเยี่ยยอีกแล้วเพื่อเย่ียย่ยยพี่หลิงเซินถึงกับกล้าขัดคําสั่งท่าน อ, องหากเป็นเช่นนี้ต่อไปนางคงต้องสูญเสียพี่หลิงเซินไปจริงๆแน่ หมัทั้งสองข้างที่ทิ้งลงข้างลำตัวของเซียชิงจือกำแน่นทันทีราวกับตัดสินใจบางอย่างได้แล้วนางจึงถอยฉากออกไปอย่างเงียบเชียบเมื่อเดินมาถึงในลานบ้านเซียชิงจือปาดน้ำตาออกสีหน้าเปลี่ยนปเป็นเย็นชาก่อนจะเรียกสาวใช้ข้างกายเจินจูเตรียมรถม้าไปจวนกัวกงเจินจูอึกอักแต่ว่าคุณหนูท่านซื่อจือบอกว่าต่อไปให้คุณหนูไปจวนกัวกงให้น้อยลงข้าสั่งให้ไปก็ไป เสี้ยชิงจือเปลี่ยนสีหน้าทันควนน้ำเสียงดูดันจนเจนจูไม่กล้าเอ่ยปาอีกรีบไปจัดการตามคำสั่งทันทีรถม้าหยุดลงก่อนจะถึงประตูใหญ่จนกัวกงเล็กน้อยเสี้ยชิงจือนั่งอยู่ในรถเลิกม่านขึ้นมองดูรอบๆก่อนบนถนนสายหลักคึคกคักยิ่งนักผู้คนเดินขวักขว่รถมา้าไปไม่ขาดสายเป็นไปตามที่นางต้องการเสี้ยชิงจือยกยิ้มมุมปากวแววตาแฝงไปได้วยความยินเยือกนางตัดสินใจถอดผ้าคลุมหน้าออกด้วยตนเอง บาดแผลบนใบหน้าของนางหายดีไปเจดแปส่วนแล้วแต่ยังมีรอยให้เห็นชัดเจนมีทั้งสีแดงสีดำสลับกันไปดูน่ากลัวยิ่งนักช่วงที่สเก็ตแผลยังไม่หลุดลอกหมดเป็นช่วงที่น่าเกลียดและน่าสยดสยองที่สุดเสียชิงจือสูดลมหายใจเข้าลึกกัดฟันตัดสินใจอย่างนาแน่วแน่นางเลิกมานขึ้นแล้วเดินลงจากรถม้าไปเช่นนั้นเองเจอจูที่ยื่นมือไปประคองถึงกับตกตะลึงจนค้างไปครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบเตือนคุณหนูเหตุใดจึงไม่สวมผ้าคลุมหน้าลงมาเจ้าคะ เซีย่ยชิงจือตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่จําเป็นเจนจูไม่กล้าพูดอะไรอีกทันทีที่ใบหน้านี้ลงจากรถมา้าก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนส่วนใหญ่ทันทีชาวบ้านบนถนนสายหลักต่างพากันเหลียวมองเซีย่ยชิงจือเดินตรงไปยังจวนกัวกลมท่ามกลางสายตาทุกคู่ระยะทางเพียงสั้นๆ น, นี้กลับมีกลุ่มชาวบ้านเดินตามมามุมดูเป็นจํานวนมากเมื่อถึงหน้าประตูจวนกัวกลมผู้คนก็ล้อมรอบอยู่หลายชั้นจนมืดฟ้าโมดิน ทหารอง ค, ครักษ์ที่เฝ้าประตูเห็นเสี้ยชิงจือเดินเข้ามาใกล้ต่างก็ตกใจกับใบหน้านั้นจนทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่านางต้องการจะทำอะไรแต่นางหยุดลงที่หน้าประตูแล้วเอ่ยปากอย่างมีมารยาทผู้น้อยเสี้ยชิงจือมีเรื่องสำคัญขอพบคุณหนูใหญ่จนกัวกงหวังว่าพี่ชายทั้งสองจะช่วยไปแจ้งให้ทราบด้วยองครักษ์หลีกทางให้อย่างสุภาพคุณหนูเสี้ยเชิญเข้าไปข้างในก่อนเถิดไม่จําเป็นต้องยืนตากแดดอยู่หน้าประตูทว่าเสี้ยชิงจือปฏิเสธไม่เป็นไรข้าจะรออยู่ที่นี่ ทั้งสองขมวดคิ้วเริ่มสังเกตเห็นว่าการมาครั้งนี้ของเซียชิงจือดูเหมือนต้องการจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่หลังจากกระสิบประซาบกันครู่หนึ่งคนหนึ่งก็ประสานมือเชิญคุณหนูเซียรอสักครู่ค่าน้อยจะรีบไปแจ้งเดี๋ยวนี้ยี่เย้าเพิ่งกลับมาจากขอทิงสเสวียเดิมทีร่างกายที่เพิ่งหายป่วยก็อ่อนเพลียอยู่แล้วก้นยังไม่ทันแต่เก้าอี้เซียชิงจือก็มาถึงนางเกือบจะสำลักน้ำชาตายเซียชิงจือนางมาทําไมเจียนเจียก็ขมวดคิ้วเช่นกัน องครักษ์เฝ้าประตูเป็นคนมาแจ้งเจ้าข้าแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเย่ยเยอกุมขมับอย่างจนใจให้นางเข้ามาเถอะองคารักษ์บอกว่านางไม่ยอมเข้ามาเจ้าข้าจะให้คุณหนูออกไปพบนางข้างนอกได้ยินดังนั้นเย่ยเยาก็ขมวดคิ้วมุ่นคุณหนูใหญ่ผู้นี้จะเล่นลูกไม้พิเรนอะไรอีกเจียนเจียองครักษ์บอกว่าเขาจะรายงานเรื่องนี้ให้หูหญินน้อยทราบด้วยเจ้าค่ะ อย่างไรเสียเยชียงจือก็ระบุชื่อว่าต้องการพบนางจะให้พี่สะพายออกไปรับหน้าแทนก็คงไม่ได้เยี่ยเยาฝืนประคองสติลุกขึ้นยืนอีกครั้งไปดูเสียหน่อยเมื่อมาถึงลานบ้านเยี่ยเยาวก็พบกับพี่สะพายทั้งสองจึงตัดสินใจไปพบเสี้ยชิงจือพร้อมกันเมื่อเห็นนางทั้งสองต่างก็ตกใจจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวใบหน้าของเสี้ยชิงจือนั้นน่ากลัวเกินไปจริงๆริง่งดีที่พี่สะพายปฏิกิริยาไวรีบเรียกสาวใช้ข้างกายทันทีจื้อเพลย เรือเข้าไปเอามี่หลีหมวกผ้าคลุมหน้ามาให้คุณหนูเสียสวมเสียชิงจือยังคงปฏิเสธหุย น, น้อยไม่ต้องลำบากหรอกชิงจือไม่ต้องการพี่สะพ้ยไม่เข้าใจจ้องมองนางแต่ก็เดาเจตนาไม่ออกทําได้เพียงสงสัยตาเตือนให้เยี่เยาระวังตัวเยี่เยาวเองก็สงสัยว่าเสียชิงจือต้องการจะทําอะไรกันแน่ยังไม่ทันที่นางจะเอ่ยถามเสียชิงจือก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนชิงจือมาในครั้งนี้หลักๆเป็นเพราะได้รับคําแนะนําจากพี่หญิงเงยี่เป็นที่หญิงเงยี่ที่ทําให้ชิงจือคิดได้ คิ้วของเย่เยายิ่งขมวดแน่นกว่าเดิมนี่จะลากนางลงน้ําได้งั้นหรือต่อไปหากเซี่ยชิงจือก่อเรื่องอะไรขึ้นมาคงจะโยนความผิดมาให้เย่เ ย, ยาได้อย่างเต็มปากเต็มคำสินะเย่เ ย, ยาไม่ให้โอกาสนางแค่นเสียงเหยียดยามคําพูดของคุณหนูชิงจือช่างแปลกประหลาดนักหลายวันมานี้เราสองคนไม่เคยพบหน้ากันเลยข้าจะไปให้คําแนะนําอะไรแก่เจ้าได้เมื่อรู้ว่าเยี่เ ย, ยาต้องการตัดความสัมพันธ์เซี่ยชิงจือก็ยิ้มบางๆางที่หญิงเยี่ยไม่ต้องถ่อมตัวหลอกเจ้าคะ เพราะความโมโขลาวของชิงจือทำให้ทันยาของจวนกัวกงต้องพล่อยลําบากครั้งแล้วครั้งเล่าชิงจือทาผิดไปมากมายต้องขอบคุณที่หญิงเยี่ยที่ช่วยชี้แนะอย่างตั้งใจทำให้ชิงจือรู้ว่าตนเองผิดที่ใดและได้รับบทเรียนคิ้วของเยี่ยโยแทบจะผูกเป็นปมเสียชิงจือมาเพื่อทําให้นางใส่สเสียเง้ยงนั้นหรือคําพูดเหล่านี้พูดต่อหน้านางไม่รู้สึกว่ามันเสแสร้งบ้างเลยหรืออย่างไรเยี่ยโ ย, ยครั้นจะเสียเวลากับนางจึงเข้าเรื่องทันที จะพูดมาตรงตรงเถอเหตุใดจึงต้องการพบข้าเสี้ยชิงจือสูดลมหายใจเข้าลึกค่อยๆในหน้าขึ้นจ้องมองเย่ยเยลเขม็งทันใดนั้นมุมปากของนางก็ยกยิ้มประหลาดทําเอาเยี่ยเยารู้สึกหนาวเยื่อไปทั้งตัวนางคิดจะทําอะไรกันแน่เสี้ยชิงจือหันไปกวักมือเรียกสาวใช้เจินจูถือกล่องอาหารเดินเข้ามาเมื่อเปิดออกทั้งเย่ยเยลและพี่สะพายต่างก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีพวกนางจําได้ดีนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอาหารยาที่ท่านแากินผิดไปคราวก่อน เย่ยาเบิกตากว้างทันทีนางรู้แล้วว่าเสี่ยชิงจือจะทําอะไรนางผู้หญิงบ้าคนนี้ถึงกับยอมทําตามคําพูดของเย่เห ย, ยาวจริงๆ จ, จะยอมรับความทุกข์ทรมานแบบเดียวกับที่ท่านย่าเคยได้รับนางไม่ใช่บุตรสาวแท้ๆของสิ้นอ๋องจะยอมเสียสละเพื่อสิ้นอ๋องได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเย่เยาไม่ค่อยอยากจะเชื่อนักแต่หากไม่ใช่เพราะเหตุนี้เสี่ยชิงจือจะมีจุดประสงค์อื่นใดอีกเมื่อนึกถึงคําพูดที่สายลับในวัดร้างเคยบอกกับนางเย่ยาวก็เริ่มมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดี ลินเซินต้องเคยบอกเซี่ยชิงจือแน่ว่าสายรับจําคนผิดคิดว่านางคือเซี่ยชิงจือนางจึงถูกจับตัวไปหรือว่าเซี่ยชิงจือจะรู้อะไรบางอย่างแล้วที่นางทาเช่นนี้ในตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นหรือไม่เย่เยาชิงพูดก่อนคุณหนูชิงจืออย่าได้วู่วามมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันได้พี่สะพายไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจึงมองเย่เยาด้วยความประหลาดใจแต่นางรู้ว่าเย่เยาต้องมีเหตุผลของตนเองแน่นางจึงยิ้มบางๆและช่วยพูดเสริมเย่เยา มายืนคุยกันหน้าประตูเช่นนี้จนกัวกลของเรามิถูกผู้คนหัวเราะเยะเอาหรือคุณหนูชิงจือเชิญเข้าไปข้างในก่อนเถิอมีอะไรเราค่อยเข้าไปนั่งคุยกันช้าช้าเสี่ยชิงจือยังคงยิ้มและปฏิเสธไม่เจ้คาค า, าต้องการให้คนทั้งเมืองหลวงได้เห็นกับตาตนเอง